ลมสมาธิเนี่ยว่าท่านเต็นยากที่จะรู้จักความสุขความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่านัชชิตันติปรังสุขความสุขเสมอเรื่องควาสงบไม่นียากเึงจะเข้าใจความข้อนั้นบรรดาความสุขทั้งหลายที่พากันไปฝันอยู่ในโลกอนี้นยังไม่ทันถึงพร้อมสุดในตอนนั้น มิที่สุกเจอได้อามิตสิ่งที่ตนต้องการนปรารถนาที่เรียกว่าอามิตได้สิ่งนั่นหมายสมปรารถนาสมประสงแล้วคนนี้ว่าสุกเพียบพอเพียงแค่นี้อ่ะที่โลกโลกทั้งหลายตากันมองเห็นอยู่รู้กันทั่วไปเหตุ น, นั้นยังภาคนิยมในเรื่องวัตถุ จนกระทั่งเลยขอบเขตลืมคิดถึงเรื่องความทุกข์เพราะผัวพันกับวัตถุจะมาจอธิบายจงเรื่อง่โมฆะคือความหลงหลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่หลงสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเป็นทุกข์อยู่นั่นแหะแต่เราเข้าใจว่าเป็นสุข หลงตรงนี้เข้ามาหลงในเหมือนอวิชชาอวิชชาหมายความเช่นไนรู้หรือไม่เข้าใ จ, จเฉยว่าหลงคืออะไรให้สุขคืออะไรทุกข์คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เล ย, เลยอันนี้สุขก็รู้อยู่ทุกข์ก็รู้อยู่แต่หลงเข้าใจผิดคิดว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้น เมื่อบาัฏจ า, ามาอบลมจิตของเราปล่อยวางวัตถุจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีวัตถุฝึกความสงบมิเวศอยู่ในที่เดียวผู้เดียวจิตขณะที่มันเข้าถึงอีเวศสงบไม่มีอนิจจอคนที่เรียกว่าสันติ ด้วยความสงบเยือกเย็นนั่นแหละจึงเป็นความสุขแท้จริงผู้ปฏิบัติึกหัดเข้าถึงตรงนั้นเข้าใจให้ทิฏวทีวันนาทีสันติพลังสุขันในความปลอดความสุขเสมอด้วยความสงบในแต่ว่ามันจำเป็นมนุษย์ ชาวโลกหรือคนเราเกิดขึ้นมาคืออาใส่วัตถุได้เจ็ดตัวที่เป็นวัตถุต้องอาศัยมันอยู่ถึนแม้ว่าเราจะลอยวางเป็นบางครั้งบางข่าวเข้าถึงความสงบที่ว่าอ่านั้นก็ตามเป็นกลั้งเป็นข่าวแต่แล้วมันก็จะต้องถอนออกมา มาปะค่นเรื่องมาวุ่นวายอาศัยวัตถุนี้อยู่ตลอดกาลเห็นนั้นยังความสุขความทุกข์ยังมีที่จริงสุดแต่ทุกอยู่ล่างไปแต่ด้วยเหตุที่ผู้ฟุออ้ฝนอบลมยิตให้เข้าถึงสันติที่ว่านั้นก็จะระลึกถึงสันติด้วความสงบสุข อันนั้นอยู่ตลอดเวลาเทียบกับวัตถุที่เราเข้าที่เราอาศัยอยู่นั้นว่ามีความสุขคิดแหกไม่เหมือ น, น, นกันสิ่งที่ไม่มีวัตถุเป็นของสุขสงบเยือกเย็นกวนที่เป็นของที่มีวัตถกุก็เป็นธรรมดา ถ้าหากว่าสิ่งใดมันดีกว่าเราก็จะต้องระลึกถึงสิ่งนั้นและพยายามที่ให้เข้าถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าความเทียงคือการพยญญาที่จะฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาจิตใจการเป็นอยู่ของเราให้เจริญข้าวหน้าไปสู่ความเจริญ ยิ่งๆิึงเป็นไปในคนที่สุดคนเราเกิดึมาทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่จิตจาเป็นจะต้องต่อสู้อยู่ต่อการเวลาอย่างที่เขาพูดกันอยู่ทืกตั ว, วปจว่าชีวิตคือการต่อสู้ก็สมจริงทุกเวการหรื อ, อย่างที่โบราณที่เราปากกัดคนตอทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้น อย่างจะขาดมันเอาเชี่ยวมันกัดคือปาดกัดแล้วก็ต้องเยี่ยวใสเพื่อเพิ่มพิษให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อทําลายตูดภัยอันตรายเข้ามเพื่อมันกัดคนแล้วหรือกัดอะไรก็ต่างๆที่เรียกว่าเป็นศัตรูของมามันจะต้องกัดเดยเชียวให้ก่อน แล้วก็เยี่ยวใส่ให้คิด น, นั้นมันแรงขึ้นเพื่อจะทำลายศัตรูคนเราก็ทำนองเดียวกันนั้นเกิดขึ้นมาจะต้องต่อสู้ในสิ่งที่เป็นศัตรูแก่ชีวิตของตนแก่อาชีพของตนหรือสิ่งที่มาขัดขวางเราให้ทำลายไป จะต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้ด้ยกำลังใดๆก็ต้องเล่ห์เลี่ยมเล่กลมาหยาทีว่าเอาชนะไม่ได้ด้วยกำลังก็ด้วยมนด้วยวิชาด้วยเล่กลมมาหยาด้วยเหตุที่การต่อสู้่างนี้แหละทุกๆคนและทุกตัวสัตจะต้องมีการต่อสู้กันอย่อยางนี้ สรดวงเจ็บรวมแล้วโลกอันนี้คือโลกต่อสู้โลกอันนี้เป็นโลกต่อสู้ก็คือโลกมีใครนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีศัตรูโลกมีใครนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีใครก็หมายส่วนเรื่องโลกทุกข์จะทํำยังไงได้ล่ะแล้วเกิดขึ้นมาในโลกของกองทุกโลกต่อสู้ ในว่างที่เราอีกเกิดสมารมีศัตรูรอบด้านใครจะต้องกัดตันต่อสู่ล่างไปแต่ว่าการต่อสู้นั้นถ้าหากเป็นธรรมก็นำมาเป็นประโยชน์ให้เกิดเก่ตนถ้าไม่เป็นธรรมก็กลับทาให้อัปร่างคือทาให้เราเสียผลประโยชน์แทนที่จะคึนได้ มันเป็นอย่างนี้อยู่แตนไหนแต่ไหนมาลกูกพขาพื่อเจ้าสอนให้เราต่อสลูกในทางที่เป็นธรรมคนอื่นเ่าจะไม่เป็นธรรมแล้วก็ยอมเป็นธรรมไปถือว่าจะเอาชนะโลกนี่ไม่ให้มีศัตรูแล้วจะเอาชนะศัตรูโลกนี้ทั้งไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากเราต่อสู้ในทางที่ผิดหลัก ธรรมะเราก็จะต้องนอนอยอมแพ้ตลอดเวลาตายแล้ว เ, เกิดชาติไหมก็ต้องใช่ไหต่อสู้่งนี้ยิ่งจะแพ้นักขเข่ากับถ้าหากเราต่อสู้ด้วยหลักธรรมะแม้เราจะแพ้สมมติเราจะชิี่ยงชีวายชนไปแต่หลักธรรมะของเราแต่เราสู้ในหลักธรรมะ แล้วก็มีหนทางที่จะเอาชนะคือไม่สามคือไม่อาจจะให้ได้มาเกิดต่อสู่ขยิตต่อไปชนะโดวยวิธีที่เราไม่ได้ต่กทุกข์หลักในการต่อสู้เนี่แหละอย่างวิชาของแพทย์ขอหมอเขาพูดถึงเรื่องขการต่อสู้ตั้งแต่เกิดคุนเราไม่เคยมสู้จนเมื่อเกิดอะไรที่ข้าอธิบายตามหลักคนเรา ที่เรียกว่าเชื่อสเปอร์มาตัวซอนอะไรเขาเรียกกันที่มันออกจากไอเลือนขอึ้นมนจากที่อยู่ขงมันมต่อสู้กระสมกันจะต้องต่อสู้กันอย่างห น, นักมีมากจนเป็นในรัดนทางเหมือนแสงแต่ว่าพวกที่สู้ไม่ไหวเขาจะต้องตายไป ที่ยังเหลือที่สู้ได้เอาชานะชนะเขาจะมาเกิดเป็นสัตว์แล้วจะ เ, เกิดเป็นคนขที่ฝ่ายตันที่ช้างของเรีนยนใหญ่นั้นจึงแสดงมาต่อสู้ตั้งแต่เพิ่มขึ้นในวันในคันยื่ในคันเขามันด า, ด า, นาดต่อสู้ราชการต่างๆโดยกลมกระทบกระเทือนเย็ยนรอนอ่อนแขน็งในเมื่อดิดามารดาในเมื่อมันดา กระทบกระเถือนโดยการเย็นร้อนออนแข็งหรือว่าเจ็บไข่ได้ปวดสบายก็จะตั้งกระทบกระเถือนบนบุตรที่อยู่ในครับต่อสู้ยังกระทั่งคลอดออกมาเป็นตัวตงสู้มาโดยน้ําดักถูกเย็นร้อนออนแข็งกระทบกระเถือนเจ็บไข่ใน้ปวดจนกระทั่งในอายุ เติบโตขึ้นมาทํามาหาเลี้ยงชีพหรือมีการศึกษาต่อสู้กับสลุ่มที่เกลียดชี้ขานต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆทำมาหาเลี้ยงชีพจะต้องแย่งเคียงแข่งขันสิ่งดีสิ่งเดชสิช่งอากัศเหล่านี้ล้วนจะเรื่อนต่อสู้ทั้งนั้นเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือ เา็าเกิดจะมาแล้วไม่มีทางหลีกอย่างได้ค่ะถ้าหากผู้ใดมาเห็นโทษภัยของขานเกิดและจะต้องตั้งตัวอยู่ในคุณธรรมต่อสู้ในหลักที่มีธรรมะเป็นเครื่องยุบอย่างพุทธเจ้าลึกสาวกทั้งหายพระพุทธองค์ทรงต่อสู้โลกภายนอกมันไม่มีทางญนา ตสู้กิเลสของตนเองดังที่ท่านแสดงไว้ทั้งเรื่องแร้างตรงทำทุกขละาศียาดให้จะเหยียนย้ามด้ถูกเรื่องการในทงางฝวงกดคนสู้กิเลสของตนเองไม่สู้คนอื่ น, นเด็กเขาไปเลี้ยงโคลเลี้ยงกระบือแล้วเขาไปเที่ยวหาอยู่หากินไ้เห็น ทรงทรงทำความเพียนนั่งรับตาก่อหนาเขา้าจิตเข้าไปโผหัวก็เอาไอ้ปีกไกลอาอะไรไปแยงจมูกเฮ้ยทั้งเลายท่านใช้ความอดทนต่อสู้ตัวทา่านี้จนกระทั่งได้บรรลุสัมมาสัมพุธิยาณก็ยังมีการต่อสู้กับพวกเดรธีมีคน พวกเป็นปรักษ์แม้จะรู้จิตก็งพระองค์เองก็เป็นปรปักษ์คือปฏิวทัตนพระองค์ต่อสู้ด้วยอธิวาสะต่ขันติต่อสู้ด้วยความระ ง, งับกิเลสของตนเอแบบของผมต่อสู้เราจะต่อสู้แบบนั้นไม่ได้แต่เราระงับจิตใจของเราแล้วก็มีวิธีอุบายการ สู้ในภายนอกแต่ไม่ใช่จะหลับตาต่อสู้อย่างสุดใจเรถึงแม้คนสมัยนี้จะเหยียดหยามรู้ถูกผู้ที่ไม่โต้ตอบแต่เราก็สู้ภายในของเราโดยความสงบพับลมแจกของเให้ดีถ้าใจของรยังไม่งสงบตราบใดเราจะไม่เห็นภัยในเรื่องทางหลายนี้ จ, จิตใจเราจะสู้เพื่อเสมอฝึกยัมีการพยา้บาตอ่นานขาศ์จองวาต้องอ่านนั่นแหละได้จังหวาจะทําตรงเราแพ้ต่อไปึเกิดขึ้นมาชาติไหนชาติไหนก็จะมาววดวายจะมาต่อสู้นี้ลักไปถ้าหา ร, รูจักต่อสู้คายไหนด้วยกันรุกร่องเห็นโทษเห็นภยัยซะแล้วตั้งใจแล้วนับที่เหล็กหมด จะแพ่เลยอาการเขาหายนอกถึงโรคคนอื่นอยซึ่งเขาถือว่าโง่เงกเอาขนาดก็หนึ่งไม่ได้แต่เราชนาดใจเราเราขนาดใ จ, ดใจแพ้หายนอกแต่ขนาชาะใจอย่างเราไปแค่คนอื่นัทนเราไปขนาดคนอื่นด้วยการชกต่อยด้วยการตีหรืออะไรก็ตามเถิดด้ ว, ปดวเป็นถ่อ ย, ยคำต่าง แต่เมื่อเราชแล้วต่อยกันด้วยการทะเลาะว่วาสเอาชนะคนอื่นเขาเจ็บไปข้างหนึ่งก็ได้เราเรียวกว่าชนะเพร า, าว่ได้เจ้าท่านสอนว่าไม่แค่เป็นเรื่องชนะคือเรื่องแพ้แพ่เขาแพ่ด้วยเหตุที่โทสะมานะของเรารุนแรงจนทำลายคนอื่น ให้เกิดโทษแก่ตนหากว่าคดีขึ้นถึงหลวถึงศาลพราก็ต้องกลับและทำโทษคนที่ทำเกินขอบเกตได้หรือไนั่นเองการแพร้แท่โดยวิธีอย่างนี้ทางพุทธศาสนาหากว่าจะพูดทั่ ว, วไปคนไหนที่คมเห็นคนอื่นที่อิจฉาเลียดเสียาสียคนอื่นทำลายคนอื่น โลกข้งหลังก็จะเป็นนามเขาหน้าเป็นคนผิดแล้วเขาจะเห็นดูสงสามคนที่อ่อนแอเพื่อเห็นดูแก่ตาสงสารนี่เป็นการแพ้ทำคั้มภีร์ยาวชนะตนแหล่เป็นของสึกยิ่งกว่าชนะคนอื่นชนะศึกสงครามตั้งเป็นร้อยๆพันๆแล้วเป็นหมื่นเป็ น, น, นแสนส สู้ชนะตนคนเดียวไม่ได้หลักธรรมเป็นของลึกซึ้งทุกคนท่าชนะตนแต่ละคนคนะมันจะมีสึกมาจากไหนสงครามมาเกิดมาจากไหนไม่มีหรอกโน่นเนี่ยถ้าพูดถึงว่องเคราะหมดเลยที่ว่าชนะตนคนเดียวทั้งนี้เล่นของก็เกิดยิ่งกว่าชนะสงครามจึงเป็นของทั้ง สงครามตั้งเป็นของทัพเราชนะโดยอาวุธชนะแล้วอาจจะแพ้ในวันหนึ่งคั้งชนะตนคนเดียวไม่มีวันจะแพ้ทั้งชาติในรัช น, ะโนะโลกนี้ระลงถ้าทุกคนพากันชนะตนแต่ละคนละคนแล้วของทัพตนนั้นเขาจะไม่มีอาวุธและไม่ต้องรบกันต่อเป็นปกตอและไม่มีเรีนในไทยอยีกด้วย กิเลสที่เรามียูภายในใจของผมเรียกว่าเป็นไผ่หรือเป็นสกปรูเป็นข้าศึกรแองหมู่มัดเป็นจำใ้ตัวเราจะออกการเวลาแค่ที่จริงหวงเราคืมีข้าศึกอยู่รอบด้านแต่เราไปเข้าใจว่าข้าศึกอยู่ภายนอกฆ่าศึกที่มีอยู่ในตัวงเราไม่เข้าใจ เห็นไหมคนโดยส่วนมากจึ่งไปจนแา่คนอื่ น, ไ ม, น, นไม่ไมปจนตคนไไม่ไปจนตวงเในลใ ห, หนลักธรรมคำสองพระเจจาิดขอใหละชนะตนเองแม้กิเลสที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นภายในใจคกระจัดกระายที่ล้นตะเกะียกตะสมประการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นภัยขอ ง, ค, งความสงบามงล้วนแล้วแต่เป็นภัยหงควส นั่นคือกิเลสนั่นคือสตรูของความสำนเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะให้เห็นโทษใละเห็นไัยทั้งเรื่องราวทั้งหลายนี้จึงจะปฏิบัติพุทธอนาธรรมสมาธิได้ถ้าไม่เห็นโทษเห็นไถ่ทั้งเรื่องเหล่านี้แล้วทํางสมาธิภานาไม่เป็นลี่ยนเสียงเป็นตัวประจักเพื่อเป็นไัย ของควาสมสงบท่านว่าเสียงเป็นไัยและเป็นอุบสรของปฐมไชาห์ห น, นคือยิตกยิจานยีบจิสุขเกตต์ต่างยิตกคือยกอารมณ์มาแดงหนึ่งคือมาพิจรารณากำหนดยิจานคิดคนครัวจ่ในเรื่องอารมณ์นนั้นจนกระทั่ง เป็นชาติแล้วเกิดตีติแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็รวมสมุปหลงไปเป็นเอกภพเสียงหายะถ้าอย่างนี้เสียงปรากฏอยู่ยังไม่ทันเข้าถึงเยกภาได้เดนั้นเสียงนั่นแหละเราจะยกเอาเสียงนั้นมาเป็นอารมณ์ค้อนคว้าพิตก โยงแสงของเยาวีตกวิจารคือคนคว้าทั้งเรื่องเสียงเมื่อเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนไปรู้จักเสียงคนไปรับเสียงมีวิจารเสียงว่าก็สัตว์แปลว่าเสียงถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดเลือกเราไม่ไึตส่งแไปหามันก็มีอย่างนั่นเสียงไม่ใช่เสียงคนก็เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงใครก็เสียงค้าอาเสียงลง เสีย ง, งเงาเสียงคลื่นอะไรมันต้องมีอย่างนั้นถ้าเราไม่เป็นยึดนันก็มีอยู่ตาสภาพของเราแล้วก็าคนคว้าหาตัวที่ไปยึดจิตใจก็จะนัดใจไปยึดใจก็อย่ายึดจิตไม่ใจไม่ยึดมันก็อยู่ตามสภาพเข้ามาเสียงมั น, มนกหายไปความชัดเจนจะเห็นชัดอย่างนั้ น, ม, นมีความจริง ใ, ใจ คือว่ามันเห็นชัดจะบจริงใดถ้าเห็นชัดตามจริงปิสิกส์คือความอีกใจเกิดแล้วก็เกิดความสุขใจวางหายวัตเสียงเลยในปรากดเนี่ยเรื่องต่อสู้มันกันการทำ功德 เ, เพียรภาวนาก็คือการต่อสู้อยู่ที่ น, นั่นเห็นั้นหลีกเลี่ยงไม่พน้น เป็นคนขึ้นมาเป็นมีมันเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมาแล้วยิ่งสังคมในโลกอันนี้สมัยในยิ่งไม่มันยิ่งแย่ญ่สังคมมะไเตัวแรงตั้อ่อนไม่ใช่สังคมธรรมดาสังคมมันนีมันจะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าสัตว์กว่าเปลืกกว่าผีประเทศเรารหวังคนเสียจาก รวมชั่วและทุจริตเราจะต้องพิจารณาสังคมแบบนี้ให้เห็นโทษและขณะที่เราพิจารณาเห็นโทษเราจะปล่อยวางเหมือนเขเราเห็นโทษเสียงเป็นอันตรายของควาสมสแล้วปล่อยวางสังคมนะในขณะที่เรานั่งทํากองเทียนภาวนาให้เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษแล้วจะไปยึด ในตัวยิบาวิจารในสั้ ง, งคมนั้นอีกแล้วในสังคมนั้นแล้วจิตจะไปพวงเกี่ยวข้องผัวผัวเลยสงนี่ยเห็นนั้นจะต้องพิจรารณาเห็นว่าคือใจมันใจเกี่ยวข้องไม่ใจไม่เกี่ยวข้องใจไม่เกี่ยวข้องมันกำลังมีเรื่องอะไรเมื่อเห็นชัดแล้วปล่อยวางังง่ซะหมด เรื <ME> ่องนั movie, ้นทำไมมาเกี่ยวข้องกับใจนองจัดพอจะตรวจใจคืออยางมันมีอาการออกไปเกี่ยวข้องจัดไปตัวเดิมตัวใจอยคิดในเรื่องการต่อสู้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวแล้วเราไมีเรื่องเท่าไรนั่นแหละแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเถอะนั้นก็ยังจะต้องแงบออกไปหาเรื่องเก่าอีกเหมืนกันเพราะอะไร เพราะสัมผัสอายัตินะยังมีอยู่จือตายมีอายัตินะหกมีอยู่สัมผัสนันกกายต้องมากระเทือนอยู่ตลอดเลยนะของเก่ามันไปได้ไปไม่เกี่ยวพันได้ง่ายเพราะกระทบมันจะส ว, วิงเหมือ ส, สายเดือด ต, ต้องต่อสู้กันอีกอ น, นะเจนกระท่านใจมีกำลังแกกกล้า เป็นที่จนกรทั่งเห็นโทษแล้วจิตมันจะงกเป็นที่เรื่อขอเรื่องนั้นจะจาย ห, หมดไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้ละท่องเรายิธทีการของเราเชียดแหลมและเชีย่ยวชาญทางนานเหตุการณ์ทางภายนอกภายในมากระทบเราก็จะต้อง วิ่งเขาไปหาหลักนั้นเรียกว่าเราได้ที่พึ่งมันก็เจ็หาทึ่งอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ทางคนจากทุกมีทางเดียวเทา่านี้อื่นใจเรื่องในใจของมุดที่ตราพยายามทำแล้วะแสวงหาเพื่อคนจากทุกไม่นีไม่ใช่ทางแล้วพุทธเจ้าถ้าหากคนจาดุกด้วยเหตุเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้กำหนก และในเด้ปฏิบัติภาวนากรรมฐานพระสาวก้ั้งหลายแค่เช่นเดียวกันการพ้นจากทุกข์โดยการออาชนะคนต่อสู้โดวยวิธีดังอธิบายนี้มีทางเดียวโท่นพระเจดศกองกผู้เจริสาวกตลอดทั้งพวกเหาให้ดำเนิน่ารอย่างนี้เอาอัดต่อสู้กันลองดูเรนี้ต่อไปต้งจิตกัมนดตที่ใจนยัยอ า, ารมนังฟังที่อธิบายมาฟัางแล้ว สนอาณาปารสตินุ่มารณาสติ ม, มานาณาสตินตี้เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดอะไรทั้งหมดถ้ามันลง ม, มารณาสติแล้วมั่นก็หมดเรื่องคือความตายมันจะมีไดเหรือไ่นะโนตของเรามันตายได้หมดเรื่องมหมงเราไป มนจะคิดนึกอะไรอาวันสิ่งโน้นสิ่นี้มันก็ไม่ได้อะไรอาวันมันก็ไม่ไม่เสร็จของเราเราจะต้องล่าชื่นไต่เป็นธรรมดาจึงว่ามานาญาติเป็นขอสําคัญนึงถึงที่จุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นมานาญาติมันวางหมด มันเลยละใจจิตเป็นเดียวนันก็เป็นสมาธิคะแนนที่มันไม่หวานมันจะละไอมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเน่เราเห็นดีดีอยู่เห็นชัชัดอยู่ไลยมีเงินมีทองทขาของสมัติวัฒนธรมท้งว่ามีลูกหลานในในบ้านในเรือนเต๊ะบ้านในเรือนก็ต่างกัน จะต้องทิ้งเขาถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วก็ทิ้งท้องกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงทู่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวกัของอะไรก็เถิดเพาว่านาไป่รก อะไรเงี้ยอะไรทั้งหมดก็ามาถานอะไรทั้งหมดแล้เวเจ้าข้องพ่อั้แน้ะไม่เห็นหรอกพ่อนาพ่อนาจิตต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งปวงหมดอารมณนปวงหมดถ้ามันน้อยยังไปถอลงไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมาย ศึกษาฟังมามากก็มากก็เพื่อให้มันหัดเก่าให้มันถ้ามันลงอันเดียวนั่นเองมันลงงั้นหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษาหนึนให่ให้ไวให้ได้มันจะเห็นออกจากนั่นแหละถึงเวลายทั้งหมดมันจะออกจา ก, อ, จากอันเดียวแั้วเนี่ยนอกจากมัวเมาแต่คิดมึกสนใจโน่นอันนี้นนอะไรต่างามันจะเป็นของปะธา น, อ, น, น, นอันนี้จะถูกอันนี้จะ กิจอันนั้นจะชอบตอนนี้แสงน้อนี่ไม่ถอบอะไรต่างๆให้ได้วุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนกรรมฐานให้น้อยบางคนมาให้ถูกกับจลิตให้ฉันอ่อยให้ถุกจลิตต้องพบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกันหนึ่งอะไรอย่างนจะถูกคันทามในละไม่ถูกต้งนั้นในทึงไม่ถอนไม่ถูกั้งนั้น มาขอแล้วคนเราคนคิดสังนกตกันสับตายมันมากมายหรือว่าจะพํานัก